พระธรรมเทศนาแผนที่78ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าผู้มีอุปการะคุณกับเรา วันนี้เป็นวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2558เมื่อวานเป็นวันเกิดของหลวงพ่อสดพี่น้องประชาชนจัทธาญาติโยมก็มามากพ อ, อล้อนหลามแลวก็วันนี้ตอนเย็นจะมีการสวดมนต์เย็น ที่วัดหลวงปู่เพียนวิริโยวัดป่าน้องกองก็พรอบวัดวันมรณะภาพของท่านเหมือนกันนะะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็คงจะเข้าไปแต่ถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อก็คงจะเข้าไปตอนเย็น <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้เช้าวันพรุ่งนี้รับบิณฑบาตฉันเช้าสวดมนต์เย็นแล้วก็ฉันเช้า <c oughs> มันทําแบบทําแบบเรียบ ง, ง่าย หลวงปู่เพียรนั่นก็เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาที่ท่านเอาหลวงปู่เพียรลงไปกรุงเทพไม่รู้กี่ครั้งหลายปีจนถึงหลวงปู่เพียรไปไม่ได้อายุมากแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีล้เปลี่ยนหลวงปู่ลีลงไปแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนหลวงปู่ลีลงไปท่านก็ถาม ถามหลวงปูป่บุญมีเหมือนกันนะไอ้ท่านเรียงลําดับลงไปถามหลวงปูป่บุญมีบ้า น, นาคนูณท่านว่าใหญ่จะไปกรุงเทพได้ไหมเพราะว่าสมุท่านเรียกท่านเรียกไอ้สมหลวงปู่เพียนเอาสมุเพียนนะไอ้สมุนะเขาสุขภาพไม่ดีเขาไปไม่ได้เขาบอกว่าเขาไปไม่ไหว ใหญ่จะไปด้วยไหม <c oughs> เขาว่าใหญ่เขาเนี่นคือผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันเลยสมัยอยู่ที่บ้านตาดเนี่ยหลวงปู่บุญเมียเนี่ยท่านจะเป็นคนเฝ้าบ้านลงไปนะัดสถานที่ต่างๆหลวงปู่บุญมีจะเป็นผู้เฝ้าวัดอป่าบ้านตาเป็นพี่ดูแลน้องๆดูแลแทนแทนหลวงตาดูดูดูแลแท น, น, นพ่อ ท่านอยู่บ้านตาถึงยีกปีนะหลวงปู่บุญมีนะเพราะนั้นหลวงตาจึงตั้งเชื่อว่าท่านใหญ่ใหญ่จะลงไปด้วยไหมสะดวกไหมที่จะไปกับเราไปกรุงไปกรุงเทพเหมือนกับสมุปไปนั่นแหละแต่หลวงปู่บุญมีท่านก็เลยตอบกาบหลวงตาว่าถ้าถ้ากับผมไม่ไปจะสะดวกกว่าครับผม คล้ายๆกับว่าท่านมองท่านพอท่านว่าดท่าไปแล้วก็คงจะเก๊กัอคงจะไม่สบายสําหรับมันไม่คล่องแคล่วท่านมองมองดูตัวของท่านเองแล้เก๊กังๆไม่รู้จะทํำยังไงถ้าไปใกล้หลวงตาถ้าจะยิ่งประมาอีกต่างหากไม่รู้จะทํำยังไงอท่านก็เขาเลยกราบเปลี่ยนองค์หลวงตาว่าถ้ากระผมไม่ไปจะสะดวกกว่ากระผม เออเอาไม่เป็นไรจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาทําทํารีไปลูกศิษย์ของหลวงตามีชื่อทุกอง์นะเทํารีอแล้วก็หลวงปู่พเพ่งทํากองเพลงนะถ้าว่าปลัดนะปะลัดเพ่งนะมีชื่อลูกศิษย์หลวงตาจะมีชื่อทุกองค์ทุกองนะ <c oughs> นี่แหละอันนี้คือหลวงปู่เพียน ท่านก็ได้ไปก่อนหลวงตานะท่านก็ได้หลวงตาก็ได้มาร่วมงานศพจัดงานศพหลวงปู่เพียรแล้วก็มาท่านก็มาแสดงธรรมแล้วก็มาวางซิ่ละเลิกสร้างเจดีย์ของหลวงปู่เพียรอีกก็หลวงปู่ท่านก็จากไปหลายปีแล้วแต่คณะสิทธยาธุสิทธิ์ก็ปีหนึ่งก็ลำเลึกถึงก็มีการจัดงานแบบเรียบง่าย เนี่ยฟังฟังดูแล้วก็แบบเรียบง่าย น, นิมนทรนิมนต์สิทธิานุสิทธิรู้จักมักคุน้นเข้ามาแล้วก็มีมีสวดมนต์เย็นมีอะไรก็ปารบเรื่องงานจากนั้นก็ถวายเจตุปัจจัยไทยธรรมพุุงนิชเช้าก็บินทาบาทศรัท ธ, ธาญาติโยมที่เคารพรักนับถือเลื่อมใสในองค์หลวงปู่เพียนก็มีมากอยู่ แถบท่าบอ่อสีเชียงใหม่บ้านผืออุดรแถบนีแหละทั้งหมดน้ำโสมกันลงไปตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้าจากนั้นพระสงฆ์ฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนาให้พรก็แยกย้ายกันกลับคือทำแบบเรียบง่ายก็ไม่ได้ทำหลายวันเพียงแต่ทำลํำลึกถึง ผู้มีอุปกรณคุณผู้มีพระคุณสำหรับสิทธิอนุสิทธ์ถ้าเราไม่ทําจะเลยก็หมดมิตรไปเรื่อยๆก็ยังไงยังไงก็ไม่ทุกต้องเพราะเราในฐานะลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาสิทธิอนุสิ์ควรจะแสดงออกสื่นความกตัญญูกตเวทีตาต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันผู้มีพ่อมีแม่ ปีหนึ่งวั น, ว, นวันมรณะภาพของพ่อแม่อย่างน้อยก็ตักบาตรใส่บาตรลำาลึกถึงพระคุณของท่านเพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามาเท่าไหร่เราเนึกรานึกคิดดูสิเราเลี้ยงพวกเราเราเลี้ยงลูกทำมีผู้มีเป็นเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็คงจะเห็นกิตติศัพท์กิตติคุณ ด้ือว่าอุปกราระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเราเพราะเราเลี้ยงเด็กตั้งแต่ลูกของเราออกมาเรามีความรักสมวนขนาดไหนลูกของเราตั้งแต่อยู่ในท้องจนออกมาแล้วก็ให้เรียนหนังสือจนเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยละเราก็ระ ล, ลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ ที่ได้เลี้ยงดูเรามาเหมือนกับเราเราเลี้ยงลูกของเราพันท่านเลี้ยงเราก็เหมือนกันนั่นแหละโดยทางความทนถนอมขนาดไหนถ้าเรานึกย้อนหลังดูเราก็จะรู้แต่อย่างลุงพ่อเนี่ยไม่มีลูกนะมีแต่ลูกศิษย์ลูกหานี่แต่ลุงพ่อก็อยังล้ลึกกำลังลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ในการอยู่ที่อยู่ ก็ได้รับความอบอุ่นถึงจะอยู่ด้วยความยากลาบากตามภาษาบ้านนอกการทำมาหาเลี้ยงชีพการอยู่การกินถ้าว่าลูกอยากจะกินอะไรพ่อแม่กําลังจะเอาเข้าปากอยู่แล้วถ้าลูกอยากแม่ก็ต้องคลายออกมาให้ลูกกินถึงขนาดนั้นแหะเพะนั้นถึงวันมรณะภาพของท่านถึงวันมรณะของท่านวันตายของท่าน พวกเราในฐานะลูกทั้งหลายก็ควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาทําบุญตักบาทจากนั้นก็ําลึกถึงอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญตักบาทหรือว่าถวายสังฆทานในวัดวาศาสนาบุญกุศลที่เกิดจากการทําบุญคราวนี้ครั้งนี้เพื่อให้เป็น พรังเกือ้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพ่อแม่ตกทุกข์แต่ยากอย่างไรขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าอันนี้ก็ควรจะมีนะเราจะแสดงความกตัญญูกับผู้มีอุปการะคุณสำหรับเราแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็นี่แหละทำบุญคล้ายๆกับว่าทาบุญผู้มีอุปการะคุณของวัด แล้วก็ยกประเด็นของพ่อแม่ของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อจัดเป็นวันเดือนสามเพนนะวันเดือนสามเพนนะพี่น้อง ล, ลูกหลานนะจำง่ายง่ายเพราะวันนั้นเป็นวันหยุดอีกต่างหากเป็นวันพระด้วยแล้วก็พวกเราก็ทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณวัดของเรากนี่ก่อนที่จะพวกเราได้นั่งสะดวกสบายเด้นมาทาบุญอย่างนี้ก็เพราะว่า ท่านเหล่านั้นได้สละทุนทรัพย์กําลังกายกําลังใจกําลังความคิดก่อนที่จะเป็นวัดวาศาสนาขึ้นมาอย่างนี้หลายคนทีเดียวแล้วก็ท่านเหล่านั้นบางท่านก็ล้มหายตายจากไปบางท่านก็เท่าแก่ชราบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาบอกผู้ใดท่านผู้ใดล่วงลับไปพวกเราก็ทําบุญโอ อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณท่านอยู่ณสถานที่ใดถ้าตกทกุก็ขอให้พ้นจากทุกถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งิงยิงขึ้นแล้วก็ผู้มียังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภาระสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจให้เข้มแข็งแข็ ง, แ, ขงแรง เ, เรามีแต่เจตนาดี ในการทำมุในการทำบุญนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราที่อยู่เบื้องหลังแต่เราได้รับความสะดวกสบายเราไม่เคยลืมพระคุณจะลืมแล้วเราไม่ควรจะลืลมพระคุณผู้มีอุปกรคุณสำหรับเราถ้าผู้ที่ไปอยู่นัสถานที่ใดไม่ลืมพระคุณผู้ทําพระคุณผู้ เป็นบุพการีบุคคลภูมิผู้มีอุปการะก่อนให้กับเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนึกคิดขึ้นมาเมื่อไรใจของเราก็มีความสุขเงี้ยลึกๆอในจิตใจพอเราลำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปการะคุณสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะและก็พร้อมกันพวกเราก็ไฟ อย่าหยุดจบเพียงแค่นั้นให้ไยให้สะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจศึกษาเพราะว่าความรู้ในจุดนี้นะขนาดพระพุทธเจ้าเป็นสิทธะนะไปบำเพ็ญอยู่ในป่าอยู่ในป่าตามลำพังตั้งหกปีท่านก็ยังเข้าไปศึกษาในกับดาราดัาาบทอุตตการดบบทสองหรือสี่ แต่เข้าไปศึกษาท่านก็เรียนรู้เรียนได้เร็วรู้ได้เร็วเอท่านก็บอกอืออันนี้ยังไม่ใช่ทางยังไม่มันเปลี่ยนแต่เพียงสมาธิหรือฌานเท่านั้นเองยังไม่ใช่วิปัฒนาตัดกิเลสท่านรู้แก่ใจเพราะท่านรู้ท่านของท่านนั่นแหละจากนั้นท่านก็ออกมานี่แหละ ลาอาจารย์ทั้งสองออกมาบําเพ็ญตามลําพังจนได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อท่านได้ตัดสรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านยังลำลึกถึงนะลำลึกถึงดาบทก่อนที่สอนธรรมะให้กับท่านเออเนี่ยสัญดาบททั้งสองเนะี่ยเราก็ควรจะไปโปรดดาบททั้งสองก่อนพอท่านได้เป็นอาจารย์ของเราน พอดูแลอูอาจารย์ดาบททั้งสองท่านมาละะลงไปเสียแล้วตายไปเสียแล้วจากนั้นก็มองไปถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่มาปนนิบัติพระองค์ท่านจากนั้นได้จึงได้ไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจนได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์เป็นรุ่นแรกนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมองมองพระคน ผู้มีอุปกรณคุณต่อพระองค์ท่านเพราะนั้นพวกเราในฐานะพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้าก็ควรจะนำพระพุทธเจ้าเป็นแบบอยา่างเป็นตัวอยา่างของพวกเราถ้าเดินตามแนวแถวของพุทธแล้วนะมีแต่ความสุขกายสบายใจแต่ถึงยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้ย้าเตือนว่าให้พวกเราศึกษาให ทีทวท่วนท่วนทีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ให้มันท่านไม่ได้สอนอยู่เพียงที่ว่าให้ระลึกถึงพระคุณ เ, เพียงแทนแค่นี้ยังไม่พ อ, นะอท่านให้ศึกษาเข้าไปอีกส่วนลึกอีกอส่วนลึกคืออะไรกคือลึกก็คือพระพุทธเจ้าไปศึกษ า, นะาไปค้นคว้าศึกษาถึงหปีอศึกษาเรื่องอะไรนะนี่นะเราให้ศึกษาจุดนั้น พระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องอะไรท่านต้องการอะไรที่ท่านไปอยู่ในป่าถึงหปีนั่นนะที่ท่านลองผิดลองถูกลองถูกรองผิดอยู่นั่นนะไปค้นคว้าอยู่นั่นนะเหมือนกับค้นคว้าวิทยาศาสตร์แล้วค้นคว้าการเกษตรรู้ค้นคว้าอาันไหนก็ตามที่ท่านไปคน้คนคิดต้องการจุดนั้นเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ไปพ้นคว้าเรื่องจิตตศาสตร์เรื่องภพเรื่องชาติแล้วตายแล้วทำไมจึงเกิดแก่เจ็บตายมีหนทางไหมที่จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายมีไหมนี่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าจุดนี้เพราะว่าท่านออกจากเวียงวังไปชมสวนอุทยานไปชมสวนอุทยานไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในวันนั้นน่ะสรดพััยอย่างมาก จากนั้นพระองค์จึงได้หนีออกจากเบียงวังไปอยู่ถึงหปีถาพวกเราคิดดูิเหมือนกับผู้อยู่บนสวรรค์ตกลงมาในป่าดงพงไพยนะอันนี้ท่านเป็นพระมหากษัตริยนะ์ไปอยู่เป็นคนขอทานนะพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันพระองค์เสียสละถึงขนาดนั้นละเพื่อจะค้นคว้าศึกษาผลที่สุกก็ได้ท่านก็ได้สำเร็จ ตามความมุ่งมา่นปรารถนาของพระ อ, องค์ท่านอของพระ อ, องค์คือได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนธนอนนะัเราศึกษาทีนี่ให้ศึกษาศึกษาในทำคําสอนของพระ อ, องค์ตรัสไว้เป็นแนวทางเบื้องต้นท่ามกลางและก็สูงสุดนพวกเราให้ศึกษาศึกษาเบื้องต้นทํำยังไงแต่เมื่อ จุดนั้นพระ อ, องคุณใครคาว่าเข้าตรุมบอนภายในใอ่เรื่องที่ในคืนวันเดือนหกเผ่นตรุมบอนภายในจนชนะนะพอชนะเสร็จแล้วพอท่านได้ระเป็นตัสรูพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ อ, ออกมาใช่ไหมพอออกมาท่านก็มองเห็นแนวทางนะแนวทางที่จะเดินไปสู่จุดนั้นจะทำยังไง ไม่ใช่ว่าปูปรับขึ้นไปกระโดดขึ้นไปก็อยู่ยอดแต่มันไม่ใช่มันก็ต้องไต่ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆไต่เต้าขึ้นไปตั้งแต่เดินขึ้นไปตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขาเอเวอเรตจะทำยังไงจึงขึ้นไปจุดนั้นได้ก่อนที่จะขึ้นไปทำยังไงเตรียมอะไรท่านเขาบอกว่าต้องมีทานมีทานก็คือสเสบียงใช่หล่ะ ให้เตียมสเสบียงไปนะสเสบียงสเสบียงก็คือฐานถ้าว่าคนไม่มีสเสบียงแล้วจะไปเดินขึ้นไปจะได้ถึงกี่น้ํา่ะมันไม่ไปไม่ถึงไหนล่ะเพราะฉะนั้นต้องมีฐานนะคือฐานอันนี้สงแห่งการทําฐานอันนี้สงทานก็คือเป็นสเสบียงเดินทางให้พวกเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะสเสบียงถ้าสเสบียงหมดแล้วก็ไปไม่ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงให้สอนให้ทานอืม ขอให้ทานเสร็แล้วพระองค์คอสอนให้ให้มีศีลมีศีลคืออะไรคือมีศีลก็คือร อ, องเท้ากางเก่งผ้านุ่งหม่มร่มยาอะไรที่จำเป็นสำหรับเราเป็นเครื่องคุ้มกันที่จะเดินทางไปถือไปไปยอดเขาอิวเรตันมีทั้งทะเบียงมีทั้งอุปกรณ์ในการเดินทาง ในเมื่อเรามีสเสบียงและอุปกรณ์ของเราพร้อมเราร่างกายของเราก็พร้อมกําลังใจของเราก็พร้อมสติของปัญญาของเราก็พร้อมนี่แหละมันต้องพร้อมไปด้วยกันจากนั้นก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ท่านจะได้สําเร็จพอนั่งภาวนาเทนนัน้ไปถึงยอดเขานตะ่ก่อนที่จะถึงยอดเขาได้มีอะไรที่จะ ทำให้จุดนั้นได้ในเมื่อมีสเสบียงในเมื่อมีสิ่งคุ้มคุ้มคุ้มครองป้องกันตัวแล้วนะเ อ, อจิตนั้นจิตใจของพระองค์ก็ดูใจของพระองค์ดูใจดงดูพรัฒัยของพระองค์เป็นสมาธิดนะูจิตใจให้เป็นสมาธิในเมื่อเป็นจิตใจพระองค์รวมสงบเป็นสมาธิเกิดญานัทตะระเกิดฌานขึ้นมา ปุเพเนวาสานุจติยานระลึปลำลึกชาติโขนหลังได้นะอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวของพุท ธ, ธะแต่ทุกวันนี้ท้องบอกว่าท่านต้องเข้าปฐมฌานตุติฌานตาติฌานาจตุทัชฌานเนวชัญญานาัญญาัญญาวเวทะยิตานิโรธสมาบัตินะ แต่คราวนั้นท่ า, านก็ไม่ไดพูดอะไรแต่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าฌานเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเกิดจากสมาธิถ้ามีจิตใจที่เป็นสมาธิจะก่อนถึงเกิดจานรัตนะเกิดฌานขึ้นมาได้ถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิอย่าหวังเลยเรื่องฌานจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉนั้นสมาธิคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่นซะก่อน จังเกิดญ า, ราณรัตนะเกิดฌานปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติโทวนหลังได้จะพอถึงเที่ยงคืนเกิดจ ต, ต, ตูปะปะตาตญาดูสพรพพสัตทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายเป็นด้วยบุญกุศลของแต่ละแต่ละสัตว์แต่ละดวงวิญญาณเป็นมานด้วยกรรมกรรมดีกรกรมชั่วเป็นผู้พาผลักดันให้สัพรพสัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนี้ ถ้าทำกรรมดีกรรมดีก็ให้ผลคนนั้นก็ได้รับความสะดวกมีสเสบียงเดินทางมีเครื่องคุ้มกันอย่างที่ว่านะเพราะเพราะมีสิ่งที่ดีถ้าว่าสิ่งชั่วเข้ามานะไปทำแต่สิ่งชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองก็เดือดร้อนเพราะอะไเพราะกรรมชั่วให้ผลกับตนเองบุญบาปอากุศลใ ห, ให้ผลให้ผล นี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะสรุปแล้ให้ศึกษาให้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะแต่หลวงพ่อเองก็บอกว่าการที่จะศึกษาแนวแถวของพุท ธ, ธะนะเราอ่านพระไตรปิฎกเราอ่านศึกษาในแนวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านพูดไว้ใน ปฐมมสมโคตรก็ดีพุทธประวัติก็ดีสาวกประวัติก็ดีในพระไตรปิฎกนะฮะอันนั้นก็ยังห่างอยู่แต่พวกเราได้ศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะที่ท่านได้ปฏิบัติมาสดสดร้อนๆเนะี่ยท่านทําอย่างไร น, ะนี่แหละจุดนี้ให้พวกเราศึกษาให้ศึกษากับพระธรรมคําสอนขององค์หลวงตาเนะี่ยเพราะองค์หลวงตาในท่านท่านได้ทางปริยัตท่านได้เป็นมหา บาหลีท่านก็แปลออกมาชัดเจนจะแจ้งยืนยันจากนั้นในภาคปฏิบัติท่านก็ไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปูมงป่มั่นจากนั้น ท, ท่านก็ออกมาจากหลวงปู่มั่นท่านก็ภาวนาท่านก็ยืนยันว่าเราได้มรรคผลที่วัดดอยธรรมเจดีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกอันนี้หลวงตาท่านก็ยืนยันชัดเจนอีก เพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาทีอนะนศึกษาที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะที่ท่านปฏิบัติอัดปฏิบัติทำปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมธรรมนะั้นท่านทําอย่างไรนยะในสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาเราก็ไม่ควรจะมองข้ามแต่เราก็ควรจะนําปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาท่านทําอย่างไรนะี่ย สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราแนวดูแนวปฏิปทาอย่างองค์หลวงตาเหมือนกันที่ท่านพาดําเนินท่านฉันยังไงท่านอยู่ยังไงท่านรักษาศีกยังไงปฏิบัติยังไงในวัดวาศาสนาของท่านท่านดุกดาว่าเก่าวลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรศรัทธาญาติโยมอย่างไรแนะนําสั่งสอนอย่างไรวิธีการแนะนําเรื่องสิ่งสมาธิติดหลวงตาที่เราศึกษาแล้วนะ เราจะเห็นแต่เรื่องสมาธิกับปัญญาโดยมากจะปัญญามากกว่าเรื่องสมาธิในสมาธิท่านสอนเพียงพื้นฐานแต่เรื่องปัญญาเลยเรื่องกิเลสกิเลสกิเลสเราจะได้ยินทุกครั้งในเมื่อท่านเทศอบรมพระเข้าไปศูนภายในเข้าไปตรุงบอนท่านจะมองดูวิธีวิถีทางแนวความคิดของทางด้านจิตใจคิดให้คิดยังไงให้เอาถอดถอนกิเลสภายในใจอย่างไรนี่แหละเราจะได้ศึกษา ในจุดนั้ น, นะ น, นี่แหละอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้เราศึกษาเราก็มั่นใจอีกว่าในเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่ท่านหลวงรับดับคันไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุได้เห็นตามตาตามใจของเราแปลว่าแปลกแตกต่างกว่ากระดูกของคนทั้งหลายที่กระดูกของครูบาอาจารย์เห็นแล้วก็ อพูดที่ได้เจอได้พบได้เห็นแล้วก็อหมดเอไม่รู้จะพูดยังไงมีแต่ว่า อ, อแปลกอพอแม่ครูบาอาจารย์ทําไมกระดูกของท่านยังกลายเป็นพระธาตุกลายเป็นเม็ดกลมอย่างนี้นะก็แสดงว่านะในหลักธรรม <c oughs> ใ, ในหลักธรรมคาสอนของเอพระพุทธศาสนานหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราเนะี่ยท่านว่ากระดูกองไหนเป็นพระธาตุก็คือท่าน มั่นว่าองค์นั้นคือเป็นพระอรหันต์ท่านก็พูดกันยึดกันอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราคณะจทธ า, ทายญาติโยมพวกเราที่เกิดมาเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราก็ต้องมองดูมองดูให้รอบขอบดูให้ทีทุ้นศึกษาดูแต่เอาพระตไตรปิฎกเป็นกระจกเงา จากนั้นก็ดูแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านดำเนินอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติถึงมรรคผลนิพพานท่านทำอย่างไรมีช่องมีทางทีเดียวนะถ้าเราศึกษานะแล้วก็ฟังเราฟังสื่งไหนมากก็ตามอย่าพึ่งไปปักใจเชื่อเพราะเรายไม่เราไม่เคยเดินทางเรามีแต่ดูแผนที่จากนั้นเราก็เดินตามแผนที่เราจะไปเชื่อแผนที่ เออแท่งเดียวแห่งใดทั้งหนึ่งเกินไป เ, เราก็ต้องศึกษาดูหลายๆหลายๆแนวทางมันไปเป็นเป็นแนวแถวเดียวกันไหมจุดมุ่งหมายอันเดียวกันไหมเออไปถือจุดจุดหมายปลายทางไหมในเรื่องนี้ในธรรมเทศนาหรือ แ, แนวความคิดของท่านที่ท่านปฏิบัติมานี้สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราศึกษาให้ถีท่วนฮะแต่จะถึงยังไง อย่าไปตั้งความสงสัยมากเกินไปคือพื้นฐานยังไงก็เป็นพื้นฐานกับเรื่องสมาธิเนะี่ยยังไงยังไงพวกเราก็ต้องทําสมาธิพระพุทธเจ้าก็ให้ทําสมาธิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ให้ทําสมาธิแต่ว่าเมื่อทําสมาธิจิตใจผ่านความสงบแล้วตอนเดินวิปัสสนาเนี่ยนะอตอนเดินวิปัสสนาตัว น, นี้แหละที่ใช้ปัญญาบางคนก็ใช้ไปในทางที่ผิดมันก็ผิดจน หลงทางไปได้ไง่ายๆเหมือนกันอคือบางองค์องพอจิตใจรวมเป็นสมาธิแล้วพอไปเห็นนิมิตเห็นเทวดาเห็นอ<ม>ภูมมะลุกขะเทวดาเห็นสวรรค์ชั้นฟ้าคูบาอาจารย์ท่านบอกนะให้ดูซิขึ้นไปดูสวรรค์ชั้นฟ้าไปชมสวรรค์ชั้นฟ้านะ่ะพอในสุดตอนเราก็ส่งไปตามที่อาจารย์ของเราแนะนําสั่งสอนผลในสุดก็เลยนะ บางคนก็เป็นบ้าเป็นบอไปกามีเท่านีงหลงๆปั้มๆเป๋อๆไปก็มีเพราะว่ามันขาดมันขาดมันให้ความสำคัญผิดในเรื่องนั้นๆไปแล่ว่าวิปัสสนูเป็นอุปกิเลตอันหนึ่งขึ้นมาอีกแต่สายหลงปูมั่นท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าพอเหตุนิมิตเกิดขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธิท่านบอกว่าอย่าดูนะอย่าไปใส่ใจ ถึงจะเป็นเทวบุตรเทวดาก็เถอะจะเป็นน right. ิมิตระดับไหนก็เถอะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเป็นไตรักอย่าไปให้ความสําคัญนะให้ดูใจของตัวเองเนี่ยให้เห็นเห็นร่างกายให้เห็นใจให้เห็นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจากนั้นน่ยให้ดูใจใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูใจให้ดูใจให้วางที่ใจปล่อยวางที่ใจให้เกิดความเบื่อหน่ายความปล่อยวางที่ใจเห็นแล้ อันนี้ถ้าว่าได้ครูบาอาจารย์ที่ดีนะศึกษาที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะน้มโน้มน้าวให้มาศึกษาในกับหลวงพ่อไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดนะธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตานะเน่ยเป็นกระจกเงาหรือเป็นแนวทางที่ทำหรือว่าธรรมลิขิตของครูบาอาจารย์มีตั้งเยอะแยะทุกวันี่สายหลวงปู่มั่นแต่องค์แต่ละองค์ไปแนวแถวเดียวกันไหม ให้เราศึกษาะพอศึกษาเรื่องวิปัสสนาเรื่องสมถะไม่มีปัญหานะเรื่องสมถะทิศยังไงยังไงก็จะต้องไปแนวแถวเดียวกันเรื่องสมาธินะแต่เรื่องวิปัสสนาที่จะถอดถอนกิเลสจุดนั้นแหละให้พวกเราสนจะอให้ศึกษาให้ถี่ถ้วนจุดนั้นอ่ะถ้าว่าศึกษาไม่ดีผิดที่ผิดทางไปก็ทําให้เขว้ได้มันกันนะ เพนั้นขอฝากไว้กับคณะชทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะพระเนนทุกองที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ก็เป็นแนวทางสำหรับพวกเราให้พวกเราได้ฟังเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษานะ <c oughs> ะต่อไปนี่รับพอรอนุโมทนาให้พร